ตอนที่25บห้าบุญคุณและเหตุผลชินเสียวเยเว่ยังคงลังเลแต่แล้วซูมานอินก็หยิบนกหวีที่เ้าอยู่ตรงหน้าออกขึ้นมาเป่าที่แท้เสียงนกหวีก็มาจากเจ้านี่เองชินเสียวเยเว่พูดอย่างพูดไม่ออกเจ้าเรียกใครมานะพวกนักเลงที่ล้อมอยู่ก็สงสัยเหมือนกันว่าซูมานอินเป่านกหวีทำไมไม่ใช่สีเจ้าเอานกหวีกะโหลกกลามาขู่ใครกันเกิงซานทาหน้าดูแคลนยักย้ายสายสะโพกเดินเข้ามาหาซูมานอิน เก่งซานข้าว่าเจ้ารออีกสักหน่อยจะปลอดภัยกว่านะซูมานอินคลึงข้อมือตัวเองพางเตือนอีกฝ่ายด้วยความหวังดีแต่เก่งซานไม่รับความหวังดีนั้นอย่างไรเสียเขาก็เป็นชายหนุ่มที่สูงถึงหนึ่งร้อยเจ็บแปดซนติเมตรจะมาถูกผู้หญิงคนหนึ่งขู่ได้ยังไงรีบเอาเงินออกมาซะจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวคำว่าเจ็บยังไม่ทันออกจากปากซูมานอินก็ัต์ลูกเตะเข้าใส่จนเก่งซานกระเด็นออกไปทันที ในขณะที่นักเลงคนอื่นยังอึ้งอยู่ซูมานอินก็พุ่งเข้าไปถึงตัวแล้วปังปังหมัดและเท้าพุ่งออกไปพร้อมกันเพียงไม่กี่กระบวนการก็ล้มพวกนั้นลงได้หมดทางด้านฉินเสี่ยวเยเว่ที่เข็นจักรยานอยู่ก็คอยหลบซ้ายที่ขวาทีพลางร้องวอยวายอย่าเข้ามานะอาคนของเรากําลังจะมาถึงแล้วซูมานอินได้ยินเสียงของชินเสี่ยวยาวก็หันหลังวิ่งไปหาเธอจัดการนักเลงสองคนที่ล้อมอยู่ได้อย่างรวดเร็วฝีมือแค่นี้ยังกล้ามาเป็นนักเลงอีก เก่งซานที่คานขึ้นมาจากพื้นโกรธจัดจนขาดสติเขาชักมีดพับออกมาชี้หน้าซูมานอินอย่างดูร้ายหนังบ้าเจ้าหาที่ตายเองนะพูดจบเขาก็เงื้อมีดทุ่มเข้ามาซูมานอินดึงฉินเสี่ยวยาวไปไว้ข้างหลังเตรียมจะรับมือศัตรูทันใดนั้นก็มีกลุ่มงนดําพุ่งเข้ามาอย่าขยับทุกคนอย่าขยับฉินเสี่ยวเย่เว่เพ่งมองดูหัวใจที่เต้นรัวก็พลันสงบลงทันที หัวหน้าสถานีกับพวกท่านมาได้ทันเวลาจริงๆท่านเวลาอะไรกันนัดกันไว้ว่าเสียงนกหวีดดังปุ๊บต้องมาถึงปั๊บนี้มันผ่านไปกี่นาทีแล้วซูมานอินบ่นอย่างไม่พอใจฉินเสี่ยวเห่าถึงได้เข้าใจว่าเพื่อนรักของเธอแอบวางแผน ล, ล่อซื้อรวมกับกาชังเหอโดยไม่บอกเธอเลยพวกนักเลงพอเห็นตำรวจมาก็พากันหน่อยทันทีไม่ใช่ครับพวกเรายังไม่ได้ทาอะไรเลยคุณอาตารวจครับ ผมมีแม่แก่อายุแปดต้องดูแลมีลูกเพิ่งเกิดได้แค่เดือนเดียวปล่อยผมไปเถอะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเสี่ยวหวังทำหน้าพูดไม่ออกแก่อายุเท่าไหร่ไม่กล้าหลอกคุณอาตำรวจครับปีนี้ผมเพิ่ง18เสี่ยวหวังแทบอยากจะถ่มน้ำลายใส่แม่แก่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะอายุ62ยังอุตสาห์คลอดนักเลงอย่างแกออกมาได้ไปทำตัวให้มันเรียบร้อยหน่อยเจ้าหน้าที่คุมตัวพวกนักเลงไปสู่ม่านอินหันกลับมาถามชินเสี่ยวเยาด้วยความหงยยุดหงิด เสี่ยวเยเว่เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นสีเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะเอ๊ะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าซูมานอินตรวจดูตามตัวเพื่อนสาวแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติตรงนี้ชิ้นเสี่ยวเยว่กลุ่มหน้าอกซ้ายพลางพูดอย่างเจ็บปวดใจข้าบาดเจ็บมันหนาวเนน็บไปหมดแล้วซูมานอินถึงได้เข้าใจความหมายของเธอข้าทาไปก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้านะอีกอย่าง ซูมานอินกำลังจะพูดความจริงออกมาเกาฉางเหอก็เดินเข้ามาสมทบอีกอย่างสหายซูมานอินอยากจะเปิดช่องทางการหาของจากตลาดมืดจริงๆใช่ไหมละ่ะชินเสี่ยวเยว่วงเพื่อนรักด้วยความสงสัยสวรรค์นี่เธอกำลังเล่นบทสายลับสองหน้าอยู่หรือไงซูมานอินไม่ปิดบังอีกต่อไปเธอเหลือบมองเก่งซานที่ถูกคุมตัวไปพลางผ่อนหายใจถ้าพวกเขายอมทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ข้าก็คงไม่เป่านกหวีดหรอกยังไงตลาดมืดก็ไม่ถูกกฎหมายแถมของก็ไม่แน่ว่าจะได้คุณภาพ เกาช้างเหอสังสอนทั้งสองคนด้วยท่าทางเคร่งครึมแบบเจ้าคนนายคนก่อนหน้านี้มีคนซื้อเนื้อไปแยะๆไม่โดนโกงน้ำหนักก็เจอเนื้อบู่จนกินไม่ได้ข้าทราบข้าพระอย่างนั้นถึงได้ร่วมมือกับหัวหน้าสถานีกะวางแผนครั้งนี้ไงคะซูมานอินตอบกลับด้วยรอยยิ้มเจริญเจริญว่าหน้าสถานีกข็ขะแล้วท่านพอจะมีคําแนะนําดีๆบ้างไหมคะนั่นสิค่าเนื้อที่พวกโรงแรมใช้กันเขาเอามาจากไหนชินเสียเยเวรีถามแทรกขึ้นมาว่าหน้าสถานีก็พอจะรู้บ้างไหมคะ พวกเขาเป็นร้านอาหารของรัฐการจะขอโคต้าสเบียงต้องทำเรื่องตามขนาดและความจำเป็นที่สำคัญคือถ้าจะไปสั่งเมนูที่มีแต่เนื้อล้วนในร้านอาหารของรัฐก็ยังต้องใช้คูปองเนื้ออยู่ดีเมื่อได้ยินว่าสามารถขอโคตาได้สู่มานอินยังคิดจะถามว่าพวกนางสามารถขอได้บ้างหรือไม่แต่พอได้ยินว่าต้องใช้คูปองเนื้อด้วยนางก็เริ่มถอดใจแต่พวกคุณสามารถไปซื้อเนื้อที่ชนบทได้นะหัวนหน้าสถานีเกาแนะนำหมูในหมู่บ้านเป็นหมูที่ชาวบ้านเลี้ยงเองไม่ต้องใช้คูปองเนื้อแถมราคา ย, ยังถูกกว่าในเมืองด้วย ไม่ใช่ว่าซูมานอินไม่เคยคิดจะไปซื้อเนื้อที่ชนบทแต่มีปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งที่นางต้องพิจารณาเนื้อหมูในชนบทแม้จะราคาถูกแต่เรื่องสุขอนามาัยนั้นรับรองได้ยากหากเจอหมูที่เป็นโรคขึ้นมาอย่างเช่นหมูเมษาคูแบบนั้นก็คงพังพินาศแน่ฉินเสี่ยวเยว่ว่ามด้วยความสงสยัยหมูเมษาคูคืออะไรเหรือจ้าซูมานอินปลายตาตาเขียวใสชินเสี่ยวยาวความรู้ชีววิทยาตอนมัธยมต้นสงสยัยจะคืนอาจารย์ไปหมดแล้วสินะ หมูเม็ดสาคูคือหมูที่มีไข่พยาธอยู่ในเนื้อหนะ้าหัวหน้าสถานีเกาอธิบายอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนเพระาะไข่พยาธพวกนั้นดูเหมือนเม็ดถั่วก็เลยเรียกว่าหมูเม็ดสาคูพ่อฉิงเสี่ยวยาวได้ฟังไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกผือผอมและสยองขวัญขึ้นมาทันทีหัวหน้าสถานีเกาไม่คาดคิดว่าสุมาอินจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหารขนาดนี้ เรื่องนี้คุณวางใจได้หลังจากหมู่บ้านฆ่าหมูแล้วจะมีเจ้าหน้าที่จากสถานีสตวแพทย์ข้อมูลไปตรวจสอบหมูตัวไหนไม่ผ่านเกณฑ์เขาก็ไม่ปล่อยให้ชาวบ้านกินหรอกหัวหน้าสถานีก็ยิ้มพลางอธิบายต่อจิงได้มารุนนี้ที่บ้านเกิดของเสี่ยวหวังมีคนแต่งงานจะมีการฆ่าหมูด้วยพวกคุณอยากไปดูไหมล่ะพอสู่ม่านอินได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความสนใจขึ้นมาทันทีแน่นอนขะขอบคุณหัวหน้าสถานีก็มากนะคะไม่เป็นไรครับเพียงแต่สหายเสี่ยวสูคุณติดค้างน้ําใจผมอีกเรื่องแล้วนะ หัวหน้าสถานีก็คำนวณผิดแล้วเข้าวันนี้ฉันช่วยหัวหน้าสถานีเก็ทลายรังตลาดมือไปแห่งหนึ่งถือว่าคือน้ำใจครั้งใหญ่ให้แล้วนะคะหัวหน้าสถานีเก็หัวเราะอย่างเข้าใจจริงดิผมคำนวณผิดเองสหายเสี่ยวซูสมกับเป็นคนทำธุรกิจจริงๆรน่านับถือชินเสี่ยวเยว่วงทั้งสองคนคุยเล่นหัวเราะ ก, กันอย่างสนุกสนานดวงตาของนางก็เริ่มกรอกลิ้งไปมาไม่ต้องบอกก็รู้2คนนี้มีลุ้นทั้งสองคนวุ่นวายกันอยู่ทั้งเช้ากว่าจะได้กลับบ้านแต่ปรากฏว่าหน้าประตูบ้านกลับถูกคนปิดล้อมเมื่ออ ซุนจิวหลิงเห็นทั้งสองคนกลับมาก็รีบมุดออกมาจากฝูงคนแล้วตรงเข้าไปบอกสถานการณ์กับซูม่านอินแม่คะคนพวกนี้เป็นญาติห่ า, างๆของพ่อสามีข้าไม่รู้ไปได้ข่าวมาจากไหนว่าพวกเราทําธุรกิจได้เงินมหาศาลเลยพากันมาขอกู้เงินค่ะซูม่านอินได้ฟังก็รู้ทันทีว่านี่ต้องเป็นฝีมือของหวังเกว่าฮ่าอีกแน่ๆเมื่อทุกคนเห็นซุนจิวหลิงเรียกนางว่าแม่ต่างก็พากันหันขอบแล้วกลูกเข้ามาหาซูม่านอิน ไอายาเธอคือเมียของเตอ๋อชางใช่ไหมฉันเป็นลูกพี่ลูกน้องของเตอ๋อชางนะพวกเราน่าไม่มีทางเลือกจริ ง, รงๆรลูกจะเปิดเทอมแล้วแต่ยังไม่มีค่าเทอมเลยก็เลยต้องบัดหน้ามาขอให้เธอช่วยเจอจานหน่อยใช่แล้วพวกเราน่าเป็นคนรักศักดิ์ศรีนะแต่ชีวิตมันลำบากจริงจรในเมื่อพวกเธอมีเงินเหลือเฟือก็คงไม่ใจดําปล่อยให้พวกเราลำบากหรอกใช่ไหมซูมานอินถูกรบกวนจนปวดหัวพอมองเข้าไปในลานบ้านเห็นจานชามที่พวกเขากินจนเครื่องกราในใจก็ยิ่งเดือดดาลรักศักดิ์ศรีงั้นเหรอคนพวกนี้ยังมีหน้ามาพูดคํานี้อีกเหรอ ขณะที่นางกําลังจะระเบิดอารมณ์ออกมาฉินเสียย่ยวยาวก็สุดตัวลงนั่งกับพื้นพางกอดขานางแล้วร้องให้โฮออกมาเสียงดังแม่แม่ขายหนูเถอะนี่พันกว่าหยวนของเรายังไม่ได้ใช้คืนเลยแล้วนี่ยังจะมีคนมาขอกู้เงินพวกเราอีกเหรอมุนจิ๋วหลิงตกตะลึงแม่ค่แม่ไปกู้เงินมาเยอะขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วกู้กับใครคะก็กู้กับหัวหน้าสถานีเกายังไงละ่ะไม่อย่างนั้นเธอคิดว่าพวกเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อแป้งซื้อผักมาทำของขายละ่ะ ซูมานอินไม่ค่อยพอใจกับคำโกหกที่ฉินเสี่ยวย่าพ่นออกมานักแต่ในสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้แล้วเสี่ยวเยเว่ลุกขึ้นเถอะซูมานอินกับซุนจิ๋วหลิงช่วยกันพยุงฉินเสี่ยวเยเว่ขึ้นมาญาติพี่น้องมีเรื่องลำบากก็ต้องพึ่งพากันสิคะจริงไหมคะพี่สาวลูกพี่ลูกน้องห่างๆคนนั้นยิ้มเจริญตอบรับพังเรอออกมาหนึ่งครั้งมีกลิ่นมันฝรั่งเส้นติดออกมาด้วย เพราะงั้นเงินที่พวกเราติดค้างอยู่พี่สาวก็คงจะช่วยหาทางออกให้พวกเราด้วยใช่ไหมคะพี่สาวพอได้ยินเช่นนั้นลูกพี่ลูกน้องห่างๆก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าไม่ดีแล้วเออน้องสะพยจะที่บ้านฉันยังมีทุระขอตัวกลับก่อนนะอย่าเพิ่งสิ ค, คะพี่สาวซูมานอินยื่นมือไปคว้าแขนอีฝ่ายไว้ขา้าวกินไปแล้วจะไม่ช่วยกันหน่อยเหรอเอาอย่างนี้มีมากให้มากมีน้อยให้น้อยให้พวกเรากู้สักห้สิบหรือร้อยหยวนก็ได้คะ่ะคือที่บ้านฉันมีทุระจริงๆไปก่อนนะ พี่สาวคนนั้นสะบัดตัวหนีและวิ่งแนบไปคนอื่นๆเห็นถ้าไม่ดีก็พากันหาข้ออ้างแล้วเพ่นตามไปทันทีซูมานอินเห็นคนไปหมดแล้วจึงถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกแม่ขหนูมีเงินอยู่ร้อยหยวนเป็นเงินที่แม่ให้หนูคราวที่แล้วหนูยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวหนูไปหยิบมาให้แม่เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะคะซุนจิวหลิงพูดอย่างจริงใจซูมานอินรู้สึกตื้นตันใจนังกุมมือซุนจิวหลิงไว้แล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกจะหัวหน้าสถานีก็มีเงินเยอะไม่ต้องรีบคืนก็ได้